เห็นลูกหลานไหว้พระสวดมนต์กดคิดถึงชาวพี่น้องอินโดนีเซียไม่ได้บทที่นี่หลวงตาไปประเทศอินโดนีเซียไปเยี่ยมเขาเขาในมนลหลวงตาหลวงตาก็เลยไปเมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาหลวงตาไปเห็นพี่น้องชาวอินโดนแล้วก็มีแต่เด็กรุ่นยี่สิบถึง4ี่สิบสนใจ ไม่มีไม่มีคนผู้สูงอายุนะเป็นเด็กรุ่นหนุ่มๆทั้นทงนั้นพวกเด็กเด็กมหาวิทยาลัย เ, เวลาเข้ามาก็อยากว่าเวลากล่าวปราณไม่เป็นระเบียบเหมือนลูกหลานนี่นะลูกหลานล้มตาเห็นโอนตาเห็นมาลุกตาลกล่าวเป็นําเบียบดีมากแต่อินโดนีเซียเนเพราะมันมีหลายหลายหายดียกาย เ, าเจ้าแม่คนยิ่งมาก พวกมหายานบ้างหรือพวกที่เบสบ้างสีลังกาบ้างพ ม, ม่าบ้างไทยบ้างท้เรียกราบไปคนละทิศฐานั่นเวลากราบพระหลวงพ่อเลยไปสอนวิธีกราบให้เขานั่ น, นกราบเพือเป็นยางขปปิดโดยองห้าเขา่าแล้วก็แขนสองหน้าผากหนึ่งในกราบเพื่อเป็นยางขปปิดกราบอย่างนี้นะศรัทธาญาติโยมนา พ, อพ่อได้ไปสอนเขานะมาเห็นลูกหลานกราบเมื่อกี้นี่สวยงามมากแล้วก็แต่เขาเก่งนะเขาอาราธนาเขาไหว้พระเหมือนลูกหลา น, นเขาไหว้พร้อมกันทั้งศาลาเลยเแล้วก็เป็สวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วก็อาราธนาศีลนี่ก็พร้อมกันได้แต่ทุกคนอีกออจากนั้นเขาอาราธนาพระประลิปก็ได้ทุกคนอีก อ, อ แล้วก็อาราธนาเทศเองได้โอ๋หลวงพ่อไปเห็นขนาดต่างดินต่างแดนต่างประเทศขนาดนี้เข้าเก่งขนาดนี้ก็ใช้ได้หลวงพ่อไปเห็นที่แรกอยู่ห้องประชุมใหญ่คนนี้นะจุกคนประมาณสักเป็นพันกว่าไปวันแรกวันัวันเสาร์คนมาประมาณสักเจ็ดร้อยคนหลวงพ่อประเทศกับพระ มีพะระกุตันสององค์มีพระตารงองค์หนึ่งมีพระไทยพอพูดพูดใช้เวลานานพอสมควรแต่วันที่สองที่ว่าเขาจะเข็ดนะพอวันที่สองคนมาเป็นพันกว่าล้นห้องเหมือ น, นกันเ อ, อแสดงว่าเขาให้ความสนใจในพุทธศาสนามากกลุ่มชาวประเทศอินโดนีเซียน ะ, ะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะนำสมาทานสิล ก่อนที่นํจาจัดนำขมาทานเสียงเมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อก็ได้มาณหอประชุมแห่งนี้ก็ได้แนะนำลูกหลานรุ่นก่อนปีนี้ปีที่แล้วนี่ก็นักเรียนม .3 ปีนี้ก็ม .3 ผ่านไปเป็นม .4 แล้วปีนี้และก่อนนักเรียนม .2 ขึ้นมาเป็นม .3 ปีนี้ก็คงจะไม่ได้ฟัง ที่หลวงพ่อแนะนําาสินห้าที่ลูกหลานขอเมื่อกี้เนี่ยที่ขอสมาทานเมื่อกี้นี้มาอย่างพันเตอิสร า, า, ารเนนะจ่ะปันจากศีลานิยาจามะที่ขออาราธนาโรคขอสมาทานศินห้าจากหลวงพ่อแต่ตามปกติครูบาอาจารย์พระสงฆ์ถ้าหาว่าลูกหลานทีส่สถานญาติโยมขอสินอย่างนี้ท่านก็ให้ไปเลยนะแต่หลวงพ่อนี่ยจะขอแนะนําให้ลูกหลานเข้าใจสัก่อนว่า ศีลห้าที่หลวงพ่อจะพานำสมาทานนี่มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรทําไมคนสมโบราณท่านจึงเวลามีพิธีกรรมอย่างเนี้ยอย่างพวกลูกหลานเข้ามากราบมาไหว้ท่าสงได้แต่ไห้ผ้าป่าสามัคคีอย่างนี้ทําไมถึงมีมีมีพิธีกรรมดูสมาทานศีงก่อนนั้นว่าสมาทานศีงคือ รักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสมาทานก่อนที่เราจะถวายทานควรจะสมาทานศีลก่อนคือชําระกายวาจาให้เรียบร้อยซะก่อนจึงจะมีอานิสงส์มากจะมีบุญมากแต่รับอานิสงส์มากคือชําระเหมือนกับเราจะไปรับเพชรนิกรินดาและของมีคุณค่าเราจะต้องเตรียม จานไปแล้วก็มีภาคก็ไม่หยีรองลักษณะอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราจะทำบุญสร้างบุมสร้างกุศลเราควรจะชําระกายวายจาของเราให้เรียบร้อยก่อนชื่อวสิงสิงหคือรักษากายวายจาให้เรียบร้อยอันดับแรกผลวงอจะนั่งานำวานามโมก่อนนมโมตัสสะพระคขวัโตัวรหวัสตสัมมาสัมพุทธสัจ ความแปลหรือความหมายแปลเป็นภาษาไทยว่านาโมตัสสัตข้าพเจ้าขอนอกน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกล่าวถึงสามครั้งคือนอกน้อมพระพุทธเจ้าคือต้นศานสนาต้นพระพุทธศาสนาต้นความคิด เ, ออเป็นต้นความคิดเรื่องพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าจากนั้นก็พูด ท, ทางธรรมังสังขางสรารนังขจฉานิ ถ้าเเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระเป็นผี่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบเกิดพระองค์เองได้แต่รู้พระธรรมพระธรรมคือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาอย่างพระพุทธเจ้าบัญญัติสิญห้าคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราเคารพนับถือเลื่อมใสว่าทาคําสอนของพระพุทธเจ้า มีคุณค่ามีประโยชน์สําหรับพวกเราเราจึงได้นับถือพระธรรมคำสอนพระสงฆ์ก็คือพระผู้นำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผร่ให้แก่พวกเราอันนี้คือพระสงฆ์ถ้าพระไม่มีพระสงฆ์นําพระธรรมมาพวกเราคงคงจะไม่ได้ศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาเพราะไม่มีพระสงฆ์ไปผู้นํามาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึง พวกเราจีมนักถือว่าเป็นที่พึ่งเป็นเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสําหรับพวกเราดูตียามตีพุทธังทำมังสังขังสารา น, านันนนร ง, ง, ตต ง, งนขจฉ า, า, านี้ยืนยันเป็นครั้งที่สองตาตียามตีพุทธังทำมังสังขังสารนังขจฉานี้ยืนยันเป็นครั้งที่สว่าจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นทรณะเปที่พึ่งจากนั้นหลวงพจะเป็นผู้พานาสมาทานเป็นองค์ศี่ระดับนี้นะ ปาณาติปาตาเวรมาลีสิกขาปทัทภันสามาธิยานิฆ่าพรเจ้าจะลดเว้นในการฆ่าฆ่าพรเจ้าจะไม่ฆ่าคนอื่นเพราะการฆ่าฆ่าพรเจ้าก็รักชีวิตของฆ่าพรเจ้าเราก็รักชีวิตของเราคนอื่นใครอื่นทุกคนก็รักชีวิตด้วยการฆ่านะไม่ว่าหรือหมาขาไก่ไม่ว่ามนุษย์ชาติชั้นวรรณะไหน ต่างคนก็ต่างรักชีวิตของตนเองเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าคนอื่นเพราะข้าพเจ้าบอกลัวเหมือนกันถ้าว่าเขามาฆ่าเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าหลานฆ่าปู่าานาญาคพวกเราเราก็เสียใจถ้าเราไปฆ่าเขาหล่งเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจักไม่ฆ่าคนอื่นอันนี้คือสิ่ข้อที่หนึ่งของข้าพเจ้าเป็นธรรมนั้น เพราะพระเจ้ทาท่านเป็นธรรมท่านบัญญัติว่าอย่าฆ่ากันเนอถ้าฆ่ากันมันไม่ดีถ้าหาว่าเราเขามาฆ่าเราละเราเสียความรู้สึกนะเสียใจนะถ้าเราไปฆ่าเขาละ่ะเขาก็เสียความรู้สึกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าฆ่ากันนึกสิ่ข้อที่หนึ่งสิงข้อที่สองอทิ้งนาธานอย่าขโมยคนถึงเขาเขาของเขาเขาก็รักกังวลหวงแขนของเราเป็เช่นเดียวกัน สมุดดินสอรองเท้ารถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานสิ่งของใช้ของเราเราก็รักคนอื่นเขาขอรักเช่นเดียวกันถ้าเราไปขโมยของคนอื่นเขาขเขาก็เสียใจถ้าเขามาขาโมยของเราเหเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เขารพสิทซึ่งกันและกันนีอันนี้คือคือสิ่งข้อที่สองข้อที่สตาร ม, มีชีวิตรายารราเรมานีให้ระวังระวังสามีภรรยาลูกหลานของเขา ของใครเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจเขามาล่วงล้ำเราเป็นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือสิ่ข้อที่สข้อที่สี่มุสาวาทเาวรมะนีอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าว่าเราไปต้มตุ๋นหลอกลวโกหกคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงโกหเราก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์กันอย่ากโกหกคนอื่นเขานะ อันนี้คือสิงข้อที่สข้อที่ห้าสุราเมรยาชมาชักประมาการเป็นสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติคนขาดสติแล้วทําความชั่วในทุกอย่างเพราะเหตุไรเพราะคนขาดสติคนไม่มีสติเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเลี้ยแล้วว่าสีงข้อที่ห้าเป็นสิงอันต ร, รายอีกข้อหนึ่งเพราะนั้นทา่านเพิ่มันใหญ่สิงห้าข้อ ให้แก่พวกอุบาสิาสกาลูกหลานผู้มุ่งหวังความเจริญในชีวิตมุ่งหวังความเจริญในชุมชนมุ่งความมุ่งหวังความเจริญต่อประเทศชาติต่อโลกในยุคนั้นสมัยนั้นต้องเป็นผู้มีสินสินนี่คือกฎระเบียบศิลคือกฎหมายคุ้มครองถ้าว่าคนเราเกิดมาแล้วไม่มีกฎหมายไม่มีศีลธรรมคุ้มครองมันก็เหมือนสัตว์ป่า เหมือนสัตว์ป่าอยู่ในป่าตัวไหนมีกำลังมากตัวนั้นก็เอาชนะเอาลังแกตัวที่มีที่น้อยกว่าที่มีกำลังน้อยกว่าเพราะนั้นสิ่งที่ทด้วยกฎหมายซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายนะเมื่อลูกหลานเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ให้ได้ฟังเอาไว้ว่าสมัยหนึ่งเมื่ออยู่ม .3 หงตายอินได้มา ประเทศเรีนมาอบรมให้ฟังได้อธิบายเรื่องสิ่งห้าให้ฟังข้อที่หนึ่งอย่าฆ่ากันข้อที่สองอยา่าขโมยของกันข้อที่สามอยา่าเปพฤ่งพระาราราลวงสามีภรรยาคนอื่นเขาข้อที่สอยาอ่าโกหกข้อที่ห้าอย่าดื่มชูราเพราะมันจะขาดสติสรุปแล้วสิ่ห้าข้อนี้เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขา ถ้าเราไปฆ่าเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาฆ่าเราก็เราก็เสียใจถ้าเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจเขามาขโมยของเราเราก็เสียใจนี่แหละอันนี้คือสิงข้อ5้าข้อนะขอให้ลูกหลานทั้งหลายให้จำไว้ น, นี่หลวพอได้แนะนำอันนี้เป็นลูกหลานเป็นรุ่นเป็นรุ่น ม, มสองะมอขึ้นมรส า, ส า, สาต่อไปของคงจะขึ้น ม ม, มสีสะท่นี้ปีนี้เป็นม3สามนะวันนั้นหลวงพ่อได้แนะนําลูกหลานให้เข้าใจเรื่องศีลธรรมอาศัยการได้ยินได้ฟังหลายครั้งต่อหลายฝนนั้นเมื่อเห็นได้ยินผูบายการพูดพระสงฆ์ได้พูดให้ฟังพวกเราก็าได้ฟังได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติใจเขาใจเราะเรื่องศีลธรรมไม่ใช่เพื่นไกล มันจำเป็นสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายทุกคนเลยเรื่องศีลธรรมนะไม่ใช่ของคนเท่าคนแก่นะถ้าว่าพวกเราต้องการความสงบร่มเย็นเป็นจุดนะพวกเราต้องมีศีลถ้าว่าพวกเราไม่เคารพศีลนะนักเรียนอยู่ด้วยกันที่นั่งเต็มห้องคนหนึ่งขโมยรองเท้าคนหนึ่งขโมยรถเท้าหนึ่งเอาไฟขโมยคนหนึ่งรถขโมยรถการยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมด เรียนราชิโนทิดของเราจะทํำยังไงมีแต่ขโมยเต็มไปหมดปัญหาความสงบไม่ได้ลุงพ่อว่าเพียงสินข้อที่สองเท่านั้นแหละไปยุ่งเยิงละ่ะถาว่าพวกเราคิดจะฆ่ากั น, นเลยดิไอ้ตาต่างคนก็ต่างพกมีดมาดิพกอาวุธมาเพื่อจะฆ่ากันโรงเรียนรายชิโนทิดของเราก็หาความสงบ ร, ร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เหมือนกันเพราะเหอะไรไม่ไวใ้ใจกันนี่แหละคนไม่มีศินปัญหาความสงบ ร, ร่มเย็นเย็นสุขไม่ได้ วันนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้แล้วมีประโยชน์มีคุณค่าอย่างมากนะลูกหลานนะหน้าต่อนี้ไปเมื่อลูกหลานรู้จักคุณค่าของสิ่งท่าแล้วนะหลวงตาจะเป็นผู้พานำสมาถานสินต่อไปนะโ ม, โมตัสสะภะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 ตัสมาสีลังวิสุทธิสาธุยัมมาจะโลตั ก็ได้จัดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อตึกสงอาภาพในจดหมายหลวงพ่อจะอ่านให้ลูกหลานได้ฟังนะที่ผูบาอาจารย์ที่ได้ไปอาราธนาและกราบเรียนหลวงพ่อเรื่องนิมนรับทอดผ้าป่าสามัคคีและแดงธรรมเทศนานักมัจการพระอาจารย์อินหลวงพ่ออินถวายต้นสันตุสกโกประธานมูลนิธิ วัดป่านาคาน้อยคือหลวงพ่อเนี่ยเป็นประธานมูลนิธิออธิบาลสงหลวงปู่มั่นปู่ริทโตี่ที่มงศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น่เดียทีาให้หลวงพ่อเป็นประธานมูลนิธิอยู่ก็ไจะประธานมูลนิธินิธิเาให้เป็นแค่สี่ปีะแต่หลวงพ่อหลวงพ่อเป็นประธานมูลนิธิสงอาพาธอยู่ที่หอธิบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น ด้วยโรงเรียนสตรีราชโนทิศอำเภอเมืองจังหวั ด, ดุรอรธานีได้จั ด, ดกิจกรรมสั ป, ปดาห์วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสตรีราชโนทิศระหว่างวันที่8ถึง14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าูหัวและพระ น, นานเจ้า สววาวพาของสีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศา ส, าสานาและวัฒนธรรมจ ร, จริงจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีตามรอยพุทธาบาทตช่วยสองอาภาคสองอาภาคก็คือที่โตรปริบาลสีนักคริมนี้นะสมทบมูลฤทธิ์ที่ขออภิบาลสงหลวงปู่มั่นโูริทัตโต โรงพยาบาลสีนัคริงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาจำนวนสิีห้องและนางคงขำอุต ร, รักษ์ที่อย่างเป็นผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมในการนี้โรงเรียนสตรีราชินุทิศจิงข อ, อกราบมูลรับทอดพระบาสมาัคคีและแสดง ร, รมเทศนา เกนักเรียนในวันจันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553เวลา 13.00 นห้องประชุมสาพาเป่องศรีอาคารนเนกประสงค์โรงเรียนสตรีราชินูเทศนี่แหละจดหมายนี้หลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้รับหลวงพ่อเ อ, อเกิดประโยชน์อย่างมากเพราะลูกหลานครูบาอาจารย์จะได้ ทอดผ้าฝ่าถึงจะมากหรือน้อยก็มีเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาต่อพระสงฆ์ผู้ทรงศีลถ้าจะว่ า, าไปแล้วในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าผู้ใดอยากจะปฏิบัติรคราตถาพจนให้ปฏิบัติคิสุขให้ภิสุผู้ทรงศีลที่เป็นไข้เก็บไข้ในป่วยอันนี้สง์มาก เพรพาะก็ไดเจ้าเส้นตัดไว้อย่างนั้นไว้นานลูกหลานทั้งหลายได้รวบรวมจตุปใ จ, จถึงจะมากน้อยก็ด้วยกำลังของตนเองได้มา ร, ว, รวมกันแล้วก็ได้มาสมทบถว า, ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพิสุจนสงฆ์พิจใตรไข้ใดป่วยแต่หลวงพ่อเองก็ได้ไปโรงพยาบาลศรีนครินนานทีต่อไปเพียหนึง่ง ไปดูก็เห็นพาะสงฆ์เกือบจะเต็มทั้งชั้นทุครั้งน้อยบ้างมากบ้างแต่ปีที่แล้วหลวงพ่อก็ได้ถามว่าค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล น, นี้ใช้จ่ายเท่าไหร่กองโคนเนี่ยท่านก็ขเขาก็บอกว่าใช้จ่ายประมาณโดยประมาณประมาณล้านเกต ต่อหนึ่งปีตะกอดประมาณ 5-6 แสนแต่ต่อมาพระสงฆ์จากภาคดิสารพระสงฆ์มากโดยเฉพาะยังยิ่งพระผู้สูงอายุนะโดดมากมหาเถ ร, ระก็มีนะอย่างหลวงปูส่สีมหาบิโรยางเนี้ยหรือพระเถระผู้ใหญ่ก็เข้าไปนอนในโรงพยาบาลในศึกสงอาพาดชั้นนีมากต่อมากแล้วว่างั้นกหลวงพ่อไปเห็นแล้วหลวงภาคภูมิใจอย่างมาก ถวบผู้ใดได้ทําบุญกับโรงพรยาบาลตึกสองอาา่าพาศทางนี้หลวงพ่อว่าไม่ผิดหวังเพราะงั้นแบบไม่ผิดหวังยังไงใช่ว่าเหมือนกับหวานเราหวานพืชหวานมาเมล็ดพืชทว่านมาเมล็ดข้าวลงในเนื้อนาที่ดีเนื้อนาที่ดีคือมันไม่ท้วกมันไม่แล้มดินดีดนต่างหากดินมีปุ๋ยพอหวานลงไปแล้วก็เมล็ดข้าวจะงอกเงยต้นข้าวก็จะสวยงาม แล้วก็ออกดอกออกผลให้เราได้รับผลอย่างเต็มที่แต่ถ้าเราหวานผิดที่ผิดทางนะเราวานผิดที่ก็คืเราทําบุญไม่ได้คิดนะแต่เราวานไปเรื่อยเหมือนกับเราหว่านเข้าปลายหญ้าแฝกหญ้าทราอย่างงั้นนะ่ะมันต้นข้าวมันก็ไม่สมบูรณนะ์ที่จะได้รับผลน้อยอั น, นี้คือพวกลูกหลานได้ทํำบุญกับถึงสงอาพาธหลวงพ่อว่า ทำถูกที่ถูงทางแล้วล่ะนะลุงพ่อเองขอขอบคุณและขออนุมโมทนากับลูกหลานเป็นอย่างมากที่ลูกหลานได้ร่วมกันกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์ได้ร่วมกันทอดผ้า ป, ป่าสามัคคีและวลุงพ่อก็จะได้นําปัจจัยจํานวนนี้เข้าบัญชีเพื่อดูแลดูแลพระสงฆ์ต่อไปออแล้วก็พระสงฆ์เมื่อท่านหายจากโรคภัยไข้เจ็บ แ, แล้ว ท่านก็จะได้ประกาศเผยแพระพุทธศาสนาหรืออย่างน้อยท่านก็ได้พุทธปฏิบัติตนท่านเป็นพระทีด่ดีท่านในความเพนจนถึงได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลถ้าพวกเราอบรมอยได้อานิสงส์อย่างมากจากบุญบายอาจารย์ท่านเหล่านั้นอขอให้ลูกหลาน เ, เมื่อทําบุญทําทานและปราถนาเอานะ้า สญญาตูนผู้ข่าในทำบุญทำทานดิบดึกได้ปงรุงพพุทธศาสนาตึกสง่าพาผ่านปารนาเอาสวรรค์ปารนาเอาสวารรค์เอามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติวิพานสมบัติถ้าไมเ่ยเยอถ้าไม่เรียกร้องเก็นจนเกินควรเหมือนกันลูกหลานกระโจนจะสำเ็าสมความพุ่มา่นกระธนานลูกหลานข้างหลาย หลวงพ่อว่าลูกหลานเป็นผู้มีบุญที่ได้มาเรียนอยู่ในโรงเรียนลาชินุเทศแห่งนี้ก็หลายคนในจังหวัดอุดรอยากจะเข้ามาเรียนในโรงเรียนราชินุเทศเพราะโรงเรียนลาชินุเทศของเราเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดข่ายสตรีอุดรพิทยานุ ก, กูลอันนั้นคือฝ่ายชายทั้งทับฝ่ายหญิงด้วยแต่ไี่โรงเรียนลาชินุเทศกับเป็นคู่กันกับ อืออุดอรพิษอ่าเป็นที่ยอมรับของคนทั่วจังหวัดอุดอรเพราะนั้นลูกหลานได้มาเรียนนักสถานที่แห่งนี้หลงตาคิดว่าพวกเราเป็นผู้โชคดียอย่างมากที่ลูกหลานได้เรียนในศึกษาแห่งนี้ขอให้ลูกหลา น, ใ, นนะให้ตั้งอกตั้งใจเรียนนะให้ตั้งอกตั้งใจเรียนเพราะว่าการเรียนการศึกษาเป็นเบื้องต้น ถ้าว่าพวกเราตั้งใจเรียนอนาคตของเราก็จะสดใสแต่ถ้าพวกเราขี้เกียจในการเรียนในการเรีย น, ใ น, รรยนในการศึกษาอนาคตของเราจะมืดบอดในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าทุกสษาสนันตะลังสุขขันเมื่อการเรียนหนังสือมาก็ได้รับเป็นของธรรมดาต้องทบกยากลํบาบากในการเรียน ในการเรียนก็ทุกยากลำบากแต่เมื่อเราเรียนจบไปแล้วผลในการเรียนของเราเจะให้ผลงอกเอ่ยต่อไปในอนาคตชีวิตของเราเก็จะมีความสุขเม่เหตุไรเพราะว่าเราไปสมัครงานที่ไหน เ, เราก็รู้ได้ดีกว่าใครไม่ เ, เหตุใดเพราะเราตั้งใจเรียนมันแต่เป็นสมัยเป็นเด็กแต่ถ้าว่าเรา ไม่ตั้งใจเรียนเรามีแต่เที่ยวมีแต่เล่นเราไม่ได้สนใจในการเรียนเราสนุกสนานเราคิดไปที่ไหนสนุกสนานพบค้าสมาคมกับหมู่กับเพื่อนที่เกียรติในการเรียนมาเรียนกันนู่นเล่นกงเล่นเกมเล่นอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจเรียนแต่ว่าเรามีความสุขว่าสุขคาษาสนันตะลังทุกขัง คนที่ไม่ตั้งใจเรียนมีความสุขเป็นเบื้องต้นเหมือนอน้อยๆหน่อเรามีความสุขแต่เมื่อเราเรียนจบไปแล้วไปสอบที่ไหนก็ไม่ได้ไปเข้าที่ไหนก็ไม่ได้เราจะรู้ได้ว่าเราได้ตกต่ำเพื่ออะไรเพราะเราไม่ตั้งใจเรียนเพราะนั้นขอให้ลูกหลานมีโอกาสดีถึงขนาดนี้แล้วขอให้ลูกหลานทั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือนะเรียนหนังสือเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเรียน ไม่ใช่ช่วงเที่ยวส่วงเตรถ้าว่าพวกเราจบไปแล้วได้ทำการทำงานแล้วเออันั้นอีกส่วนหนึ่งเราต้องใช้ชีวิตแบบอิสระแต่ขณะนี้เรา อ, อยู่ในข้อบังคับของข้อของแม่ของครูบาอาจารย์อยู่เพราะเรายังเป็นเด็กอยู่เรายังไม่เป็นผู้ใหญ่เราต้องอยู่ในกฎตรงยึดในระเบียบของโรงเรียน เ, เวลาถึงเวลาก็ให้เข้ามาเรียน เวลาเลิกอ็เลิกเรียนเพื่อเลิกไปแล้วนะให้รู้จักหน้าที่การงานของตนเองด้วยนะลูกหลานนะเรากําลังเป็นวัยสาววัยกําลังจะเป็นวัยเป็นผู้ใหญ่หพ่อแม่กําลังมุ่งหวังกับพวกเราอย่างมากประกอบไปบ้านช่วยหน้าที่การงานช่วยขายของช่วยทํากิจการบ้านงานบ้านของพ่อของแม่ให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ ก็เหตุใดก็พ่อแม่เลี้ยงดูเรามานด้วยความยากลําบากจริงๆนะลูกหลานนะพวกเราเห็นเด็กไหมพวกเราเห็นเด็กไหมพ่อแม่เลี้ยงดูยากขนาดนั้นล่ะ mm. เมื่อพวกพ่อแม่เลี้ยงพวกเราก็นเช่นเดียวกันแ mm. พ่อแม่เลี้ยงดููเราเ็ยากเหมือนนั้นล่ะเหมือนกับพวกเราเห็นพ่อแม่เขาเลี้ยงเด็กอย่างนั้น mm. อ่ะ๋ยวนี้เราใหญ่ขึ้นมาแล้วเราพอที่จะขึ้ตนตัวเองได้แล้ว เราต้องทำอย่าให้ท่านหนักใจสรุปแล้วนะอย่าให้พ่อแม่หนักใจกับเราเพราะว่าเรารู้เรียนสาอาวะแล้วอันไหนร้อนอันไหนหนาวอันไหนควรทาไม่ควรทำอันไหนควรพูดไม่ควรพูดเราควรจะรู้แล้วเพราะเราได้ศึกษาแล้วเราก็ไม่ควรจะทำให้พ่อแม่หนักใจกับเราแล้วก็ไม่ควรจะทำให้ครูบาอาจารย์หนักใจกับเราด้วยนะ เราต้องเป็นเด็กเด็นักเรียนที่ดีอันไหนถิวที่ดีเราควรจะรู้นะเพราะเราได้ศึกษามาแล้วอันนี้ไม่ดีอันนี้ดียิ่งสื่อต่างๆทุกวันนี้ถ้าว่าเราไปตามสื่อไปตามสื่อจะเสียหายแนละลูกหลานนะแต่สื่อเขาก็บอกอีกเหมือนกันนะสื่อที่ไม่ดีสื่อนี้ดีเขาก็ต้องบอกอีกเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องศึกษาศึกษาให้เข้าใจอันไหนดีอันไห น, น, นไม่ดีนะเะพราะว่ามัน ทำให้พวกเราหลงทางได้ไง่ายๆเหมือนกันแต่ถ้าว่าพวกเราศึกษาให้ดีแล้วและก็ปรับปรุงตัวให้ดีอนาคตของพวกเราก็จะไปได้เรื่องได้เรียบร้อยอนาคตสดใสแต่ถ้าว่าพวกเราทำตัวไม่ดีอนาคตมืดบอดนะูกหลานนะขอให้ลูกหลานตั้งอกตั้งใจเรียนและก็ป้องกันอย่าลืมศีลและธรรม สีและทำก่อนหลับก่อนนอนพวกลูกหลานให้ไหว้พระสกก่อนนะพวกเราเป็นพุทธมามะกะพุทธบริสันต์เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้าเวลาก่อนหลับก่อนนอนให้กราบพระสกก่อนอลหังสวา่าโตสุปฏิปันโนอ่าแล้วก็น้โมตัสสะพระคำว่โตอ่านอบน้อมพระพุทธเจ้าสกก่อนค่อยหลับนอนแล้วก็ก่อนที่จะนอนหลงตาอยากอยากจะแนะนํา ให้ลูกหลานนั่งสมาธินะ่ะนั่งสมาธิอย่างน้อยสักสิบนาทีตั้งนาฬิกาไว้ก่อนก็ได้นะนั่งสมาธินั่งสมาธิไม่ยากนั่งทับเทียบอย่างลูกหลานนั่งเดี๋ยวนี้แหละนั่งทับเทียบอันดับแรกเราก็ปนมมือขึ้นระหว่างเถอะซะก่อนนะนึกพุโ ท, ทโธธรรมโธสังโโพุโทโธธรรมโมสังโโพุทโธธรรมโมสังโโหสมจบจากนั้นก็เอามือลงนะ เอามือขวาทับมือซ้ายจากนั้นกับบริกรรมจะแผ่เมตตาก่อนก็ได้ถ้าเป็นเจ้าจงเป็นสุขเราจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขคลายๆกัว่าแผ่เมตตาซะก่อนบางทีเรามาโรงเรียนเราไม่พอใจกับหมูกับเพื่อนกับครูบาอาจารย์กับใครๆนะในใจของเรามันขุนมันค่องอยู่มันไม่สบายใจเราก็แผ่เมตตาในจิตใจของเราว่าขอให้ พวกคนที่ข้าพเจ้าโกรธข้าพเจ้าไม่พอใจท่านต้องการความสุขอย่างไรข้าพเจ้าก็ต้องการความสุขอย่างนั้นจะได้เบียดเปียนจะได้คิดไม่ดีต่อกันเลยนั่นะในใจของเรานะจากนั้นก่อนบริกรรมถึงหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโอพุทโธพุทโธพุทโทนะอ่า ถ้าหากว่ามันยังคิดออกไปทางนอกอยู่บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้นะเอาทีๆนี่แหละคือวิธีการภาวนาง่ายนิดเดียวพอจบพอได้เวลาเสร็จแล้วในสมหนดที่เราจะออกจากสมาธิแล้วเราก็ประนมมือขึ้นระหว่างพุทโธธัรมโมสังโฆไหว้ครูอีกสามจบจากนั้นยังค่อยหลับนอนนอนก็ฝันดีไปนอนที่ใด ที่เขาว่าผีดูดูนะเจะ้าว่าผีดูดที่ฝันร้ายไปนอนนอนหลับดีเทวดาปกป้องตัวแลรักษาถ้าคนไหว้พระสวดมนต์เจ้ก่อนค่อยนอนนะแต่ถ้าว่าพวกเรานอนเหมือนควายเหมือนควายเหมือนหมูเหมือนหมาไม่ได้แล้วเอเทวดาไม่ปกป้องไม่คุ้มครองนะขอให้ลูกหลานไหว้พระเสก่อนแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเคยได้ยินแต่บางตํานักเรียน เวลานักเรียนเข้ามาไปจําห้องเขาจะให้นักเรียนนั่งสมาธิสก่อนนะนั่งสมาธิสก่อนให้นักเรียนอยู่ในความสงบสก่อนคือพักจิตสก่อนพักจิตพักใจไม่ให้ใ จ, ใจิตใจปุง่งพุ้งซ่านนั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธสก่อนนะเมื่อเราภาวนาพุทโธแล้วเนะี่ยใจของเราได้รับความสงบแล้วนั่นแหละที่ไปเรียนหนังสือมันก็อนจำได้ง่ายจําได้คล่อง แต่ถ้าว่าพวกเราจิตใจคงคงสร้างนไปเรียนหนังสือจไปที่ไหนก็จําไม่ได้ทั้งนั้นแหละเพราะนั้นขอให้ลูกหลานตั้งอกตั้งใจในการเรียนการศึกษาและลูกหลานเนิ่นนานที่หลวงพ่อได้มาพูดมาแนะนําสั่งสอนลูกหลา น, นวันนี้ก็การพูดการแนะนําลูกหลานก็เห็นว่าสูงควรกับการเวลา น, น, ะ น, ะนะออัา่นขอทจ่ดีในการพูดการแสดงไว้เปลี่ยนตอนนี้ก่อนนัลูกหลานเนะิ่ เอากาวคำสั่ไว้ภาพป่าเองสปบกลางยอดที่คณะครูอ า, าจารย์ในรเรียนร่วมกันทั้งทั้งโรงเรียนทั้งหมดกัานี้นะคะแปดมืนสี่พันสี่ร้อยหมสิบสกบาทนะคะของระเรียนได้จำนวนธนาคารทุกทาโอ้ยอดใหญ่หเลยวะเกือบแสนมานอืโโตโๆๆลูกหานได้ในรายนลูกรารนะ ให้เดบุญหลายๆให้เจริญเจริญในหน้าที่การงานในลูกหลานให้เกิดหนังสือเก่งๆด้ยให้เป็นลูกหลานที่ดีด้วยให้รวยด้วยให้สวยด้วยให้งามด้วยนะลูกหลานเนอะจากต่อไปก็จะทำถวายข้าว่าต่อไปจะเป็นการกล่าวถวายข้าวป่า ขอให้ทุกคนกล่าวตามข้าพเจ้าอิมานิไม่ังคันเตอิมานิไมดังคันเตตังสุกูลจีวารานิตังสุกูลจีวารานิสปาปริวารานิสปาปริวารานิพิกขุสังคาาัสสะพิกขูสังคาาัสสะโอโนชายามะโโ สาทุโนพันเตสาทุโนพันเตพิกขุสังโฆพิกขุสังโฆอิมานิอิมานิตังสุกูลจีวานิตัสุกูลจีวรานิสัปปริวานิสัปริวานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากรรอัมหากทีธารตังีาระตังผิตายะิตยะ สุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้แต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้อองถวายผ้าบางสุกุลจีวรขออนงค์ถวายผ้าบางสกุลจีวรกับพักบริวารเหล่านี้กับพักบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุแก่พระภิกษุขอพระภิกษุสงฆ์จงรับขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ภ้าบางสกุลจีวรนข้บสกุลจีวอนกับทั้งบริวารเหล่านี้กับทั้งบริวารเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายขอข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเอสิ้นกาลนานเสา ในครั้งพุทธกาลพระเป็นสู้บวชมาในในข้อพุทธศาสนาข้อบวชมาแล้วก็ต่างองค์ต่างอยต่างองค์ต่างปฏิบัติธรรมของใครของเราแล้วก็มีครูบาอาจารย์และมีพระองค์หนึ่งชื่อพระติสักในสมัยครั้งพุทธเจ้านะอยู่วัดปลายเชีตะวันมหาวิหารพระติสักเทีร่าเนี่ที่ท่านป่วย ทีแรกก็เป็นผืนเป็นผืนในร่างกายเป็นผืนเม็ดเล็กๆต่อมาก็เป็นเม็ดใหญ่ขึ้นมากระเท่าเมเา็ดข้าวโพดต่อมาเหมือนกับเท่าเม็ดพุทราต่อมาก็เป็นเม็ดใหญ่เท่าลูกมัดมัดตูลูกตาลอะไรกันเนี่ยแล้วมันก็แตกถึงเป็นฝีน่ยพอแตกขึ้นมาแล้วที่นี่พระสงฆ์ที่อุปธรรมกตฐานผู้ดูแลเนี่ยไม่มีโรงพยาบาลอย่างทุกวันเนี่ยอยู่ในวัดใช่ไหมลนะ่ะแล้พอต่อมาฝีแตกนเนี่ องไหนเข้าไปก็ข้าวตอนไม่เข้าใกล้เออเข้าไปก็เหม็นขาวปล่อยทิ้งไว้่ ใ, ใต้ขนกุฏิแต่นี้พระพุทธเจ้าที่อยู่ในพระคันธบดีท่านนั่งภาวนาจวงจะสว่างอ่าพระพุทธเจ้าท่านมองดูสตุโลกแล้วท่านเป็นผู้มีเมตตาเช่นไหมท่านนั่งภาวนาท่านจอ่อสายจอเลดา้าไปเออรวมรอบ ไปเห็นพระติดสารนอนป่วยอยู่ใต้ขุนกุฏิเออพระติดสารป่วยอะไรย่างเงี้ยไม่มีใครดูแลออนอนอยู่คนเดียวโอ้เดี๋ยวเราพวกนี้เราจะาจะไปดูจากนั้นพวกพุทธเจ้าผู้ฉันพระทหารตอนเช้าเสร็จแล้วก็เอาพระอานอนท์เนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นผู้เดินตามพระอานอนท์ไปนี่พุทธเจ้าก็เดินไปเมื่ อ, อเชินตรวจกุฏิอย่างนั้นอะ่ะ โดนไปดูหลังนั้นไปดูหลังนี้มอไปเป็นตรวจการตรวจตรวจวัดทั้นั้นพอไปเห็นพระติสานอนป่วยพอพระเจ้าค่ะเธอ เ, เข้าไป เ, เป็นเป็นอะไร เ, เธอเชื่ออะไรติส า, า, านครับผมท่านเป็นอะไรบอกว่ากับผมทีแรกเป็นผืนเม็ดเล็กเท่าเม็ดมเมล็ดงาต่อมามันใหญ่ขึ้นมาเหมือนเม็ดข้าวสารต่อมาเหมือนเม็ดขมโพดต่อมาใหญ่เหมือนเป็นพุทสา ต่อมามันใหญ่เป็นตุ่มใหญ่ขึ้นมาก็เลยแตกเออเล็กทังร่างกายแล้วมันมีใครกอดทั้งประถาเหลือเนี่ยตะก่อนก็มีอยู่พระเจ้าค่ะแต่ข้าพระองค์ไม่มีอติเลกะลาบไม่มีลาบไม่มียศให้แก่พระออลูกศิษย์ลูกหาเขาก็เลยเหม็นสาบเหม็นคาวเหม็นกลิ่นเหม็นเข้าก็เลยไม่ค่อยมาดูแลเพื่เจ้าค่ะโอ้ พ่อพุทธเจ้าบอกเออเอาอานอนท์ไปไปต้มน้ําผ้าอานนท์ก็ไปต้มน้ําพอต้มน้ําลุกขึ้นมาแล้วก็ผ้านอานนท์ก็ใช้กระ บ, บวนตักไอ้พ่อพุทธเจ้าเป็นพูดตักตักรถมางั้นแหละผ้านอานนท์เป็นพูดชาระร่างกายของพระติดสากจากนั้นผ้าสูงจะได้ลงมาแล้วก็เอาผ้ากีบอนไปซักไอ้พอซักเสร็จเรียบร้อยเอาไปตากฝึกให้แห้งเป็นอาบน้ำชำระรงกายให้พระติดสาก ล้างผงล้างแผลล้างอะไรเสร็จเรียบร้อยผมผ้อาอีวอนพันเลยเสร็จเออพ่อพันเสร็จแล้วก็ให้นอนนอนเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าครับเทศให้พ้าติดสาฟังไหติดสาเธอว่าร่างกายที่เป็นของเธอใช่ไหมพระติสากนั่งนอนฟังนอนพระพุทธเจ้าเป็นผู้เจ้าเป็นผู้ยืนติดสากเธอว่าร่างกายที่เป็นของเธอไหม ถ้าว่าเป็นของเธอเธอบอกว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะบอกได้ไหมไม่ได้พระเจ้าข่าถ้าไม่ได้ว่าร่างกายเป็นของเธอใช่ไหมไม่ใช่พระเจ้าข่าเขาบอกไม่ได้นี่แหละบอกร่างกายตัวเองบอกไม่ได้มันอยากแก่นะอยากเจ็บนะอยากตายนะมันบอกไม่ได้ถ้าบอกไม่ได้ร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราใช่ไหมติสระใช่พระเจ้าข่านี่แหละ ท่านให้ติดสัพิจารณานะว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวตนของเรานะร่างกายเป็นอยู่ อ, นะ อ, ยยยอยู่เสมอนะถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนร่างกายนี่ก็ยังเป็นกยื่อยู่เสมอนะติษสนะไปเจ้าผาให้พิจารณาอย่างนี้นะอย่าเึืมั่นถือมั่นในร่างกายนะติษสักนะไปเจ้าผาเอ อ, เอพักตัวนี้นะจากนั้นพอพูดถึงเจ้าก็เดินออกไป พอไปถึงพร ะ, ะ, ะคันทรปีกันไปที่ศาลาก็เลยไปชมสงในนี้เรียกไปชมสงในเดียวนั้นพระสงฆ์บรรดาชเชื้อตะวันก็มาพร้อมกันพอมาพร้อมกันเจ๊ดพุทธองค์ก็บอกว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายพวกเธอปวดเร้ามาในพระพุทธศาสนาหนีออกจากหนูญาติไม่มีพ่อไม่มีแม่แไม่มีวงศานาญาสมาอยู่ด้วยกันพวกพวกเธอต้องดูแลกัน อย่าปล่อยปล่อยปลาละเลยไม่ได้ถ้าพิสดสงใดก็ตามถ้าเห็นหูพวกเพื่อนเจ็บไข้ให้ป่วยแล้วไม่สนใจปลั่ง้าบัดทุกข์ปวดเห็ดสินนี่คือตั้งกฎระเบียบขึ้นมาเลยพระพุทธเจ้าท่าอง์ไดก็ตามครับอยู่ด้วยกันแล้วไม่ดูแล ก, กันปลา่ข้าบัดทกข์ปวดเป็นผู้ไม่บอกผิดกฎหมายนะพูดง่ายๆผิดกฎหมายพระพุทธเจ้าเห็ดสินนะอย่างนั้นพระสง ก, ก็เลย <L> รับเลยทำเงา อ, อุปชาอุปชาอาจารย์เก็บไข้เร็ยป่วยลูกศิษย์ต้องดูแลแต่ทูกศิษย์เก็บไข้เร็ยป่วยอาจารย์ต้องดูแลลูกศิษย์เหมือนกับลูกศิษย์ดูแลอาจารย์ยังไงอาจารย์ก็ดูดูแลลูกศิษย์อย่างนั้นเมื่อเวลาเก็บไข้เรียป่วยปล่อยป่านละเลยไม่ได้ถ้าปล่อยป่านละเลยไม่สนใจปล า, าปรับปานกลโกรธทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์ถ้าใครทําผิดอาจารย์ยานานมาั้องพุทธเจ้าประการัดฟี่นาย แต่พระพิษสพอพระพุทธเจ้ารับตาไปท่านมันนอนภาวนานร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราเราคือใครคือใจเลยนี่ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าว่าใจกับกายกายกับใจรูปประทับนามนัน่งทำรูปประทับนามนัน่งทำมีอยู่สองในร่างกายของเราเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้นคนขับรถก็คือใจรถก็คือร่างกาย ใจนี่คือตัวนึกคิดตัวที่นึกคิดขึ้นมาแล้วก็สั่งให้สมองพูดออกไปเนี่ยมนะันคือใจส่วนร่างกายมันเหมือนกับรถแต่รถนี่แตกตายสลายแนย่แต่ส่วนนมามธรรมคือใจนั้นออกจากร่างที่เป็นปฏินสนธินั้นะไปเกิดเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่เป็นคนมั่งมีสีสุขเป็นเทวุบุตรเทวดาก็ได้เพราะอะไรเพราะเราทำกรามดี ถ้าเราทําบุญสร้างบุญสร้างทุศ่วนแะล้วไปทางดีแต่ ถ, ถ้าเราทํากรรมไม่ดีไปทางกลับองค์พระเดชยาวตัดไว้อย่างนั้นแต่นี้พระติสาท่ทกากพิจารณานั่งพนนอนภาวนาพนนอนภาวนาเสร็จแล้วท่านก็อนได้สําเร็จเป็นพระรอรหันต์ในขณะนั้นท่ไม่ยึดมั่นหรือมันม่นเลยปล่อยวางร่างกายเลยท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาในเดียวนั้นท่านก็เลยมรณภาพเลยตายไปแล้วอาการหลัก พระสงฆ์ท่างหลายก็ถามมาถึงเอ๊พระติสารตายแล้วจะไปที่ไหนเนาะทําไมที่บาปกรรมมากถึงขนาดนี้ร่างกายเป็นแผลทั่วตัวเลยเนี่ยเป็นบาปกรรมขนาดไหนตายแล้วควรจะไปตกนรกไปถามผู้พุทธเจ้าผู้พุทธเจ้าไปถามผู้พุทธเจ้าถามพระติสาตยที่ท่านตายไปแล้วนี่ยไปที่ไหนพไปเจ้าถามพร้พุทธเจ้าบอกติสัตย์ กอนที่เขาจะตายเขาพิจารณาร่างกายเขาเกิดความเหนื่อหน่ายคลายจิตใจของเขาหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นพระอารหันต์แล้วเป็นพระอารหันต์แลว้วก่อนที่เข า, าเขาตายเขาเป็นพระอารหันตนักติดสัตว์นะเขาเลยพ้าสงเลยงสงสัยทำไมนินนนสัยมักผลนิพานเป็นผู้มีปุณมากยินได้สาเร็จเป็นพระอารหันต์ทำไมเขาติดสัตว์ถึงตกนรกและจึงเป็น เป็นแผลอยู่เปื้อนหวานถึงขนาดนี้เป็นผู้มีบาป ก, กรรมมาเกิดนนะ่ะเออเป็นผู้มีบาป ก, กรรมมาเกิดทําไมจึงได้สําเร็จเป็นพระอรหันได้พระเจาา้าค่ะเพราะพระตเจ้าบว่าบุญเป็นอันหนึ่งนะบาปมันเป็นอันหนึ่งนต่บุญคือติดสารเขาก็ได้สร้างมาบาปเขาก็ได้ทํำมาพระสงฆ์ก็เลยถามพระตเจ้าว่าติดสารนี้ได้ทํากรรมมันไหนไว้พระเจาา้าค่ะจึงได้มาสวยความทุกถึงขนาดนี้ เขาพูดใเจ้าเออเอาพวกเธอตั้งใจฟังเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังอดีตชาติให้ฟังคุณพูดใเจ้านะอดีตชาติใดเนี้ยแต่พูดให้เจ้าว่ในอดีตชาติติดสระมันเคยเป็นพรานเป็นพรานนกเพราะงั้นไปหาดักนกในป่าสมัยนั้นนกในป่ามันเยอะเนี้ยนกพกนกแกงนกเนื้อนกอะไรสารพัดนกวัวนะแต่เด็กเขาก็เป็นพรานนกพอดักนกในมาแล้วก็ ไอตัวไหนก็ยังไม่ตายเขาก็หักขาหักขาหากกักปีกมันไว้ในหะ้มันบินเหมือนกันแหละเพื่อทีเอาขายวันลูกขึ้นไอตัวไหนที่มันขายเขาก็ทําอาหารแต่ถ้าตัวไหนไม่ตายเขาก็หักขามันไว้แต่ขายยังไม่ออกแล้วก็วันลูกขึ้นเอาไปขายอีกนี่แหละบาปกรรมตัวนั้นแหละบาปกรรมของปีษาที่เป็นครานงสมัยนั้นนะ่ะทําให้เขาเป็น ผีในร่างกายพเพราะเาเหยียดเวียนสัตว์ในอดีตชาติเขาเหยียบเวียนสัตว์อย่างมากในชาตินั้นเขาทาบาปกรรมมากคนไหนที่เหยียดเวียนสัตว์คนนั้นจะได้รับกลับรับกลับถ้าคนไหนฆ่าสัตว์คนนั้นจะชีวิตสัน้นถ้าคนไหนเหยียดเวียนนางแกสัตว์คนนั้นจะได้รับความทนทุกข์ทรมานในการเหยียดเวียนสัตว์บาปกรรมนั้นจะตามสนองพนเดีจ่าระหว่างนั้น แต่ท่านนี้ทําไมท่านจิตศาสตร์จิตใจสำเร็จพระอรหันต์นี่ระสงค์ถามว่ามิเป็นบาปเป็นบุญอะไรเขาท่านจิตใจสาเร็จเป็นพระอรหันต์ทุกทำบาปกรรมทุนขนาดกันพระพุทธเจ้าบอกว่าชาติหนึ่งเขาไปเห็นพระอรหันต์ไปนั่งอยู่ในป่าอยู่ในเนื้อผาเนื้อผาเล็กๆพระอรหันต์ท่านก็โยมคนนี้จะเดินผ่านไปไปเห็นไปเห็นครั้งที่หนึ่งได้ เห็นท่านนั่งภาวนาอยู่ได้สองสามวันฝนตกท่านมีงออกมาปินสบาะท่านไม่มีโร่ทุกวันนี้เนี่ยท่านออกไปท่าก็เปลียนแล้วท่านก็ไม่ออกท่กดอาหารอยู่ในถ้ำโยมคนนี้เห็นให้ท่านคงถึงหิวอาหารมากไม่ได้ฉันอาหารหลายวันแต่ท่านตั้งอยู่ในถ้ำจะเป็นพระอรหันต์ไม่เสร็จท่านก็เลยโยมคนนี้ก็เลยเตรียมอาหารไปเตรียมอาหารอย่างนีไปมาแค่ไหนไปอะไรถวายเพือถวายพระคุณท่าน พระคุณท่านคงจะมีอาหารขนตกหลายวันแน่นั้นเอนใช่อาตมาไปบินเทป่บบทไม่ได้เพราะมันขนตกไปแล้วเพระมันคงจะเปียกลําบากทางลื่นต่างหากอันตรายอามากเ็เลยไม่ไปอดปีกว่าก็เลยถวายอาหารพอถวายพระสงฆ์ ก, กเ็เลยท่านก็เลยอนุโมทนาเนีย่ยโยมคะนัก็เลยสาธุเนาะเกิดภพในชาติใดเขาผู้เป็นเจ้าเห็นธรรมอย่างไรลูกได้ดวงตาเห็นธรรมอย่างไร ขอให้ข้าพเจ้าได้เห็นธรรมในดวงตาเห็นธรรมจากพระคุณท่านด้วยเถิดพระอรหันท่านก็เลยพือเอาเอวังโหตุเอวังโห ต, โตุขอความปรารถนาพระเจ้าจงสําเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาเถิดนั่นแหละชาตินั้นแห ะ, ะท่านบัตรได้สร้างบุญสร้างกุศลอย่างมากพระติสัพเพราะนั้นอริสม์ได้ทําบุญในครั้งนั้นละ่ะส่งผลบุญมา จนท่านได้สเดดาสเร็จมรรคสาเร็จผลแต่บาปกรรมของท่านที่ได้ดังแกสัตวนะ์น่ยได้หักปีนกเนี่ยได้หักขานกมาทำอาหารเนะี่ยเป็นบาปกรรมเนี่ยบาปกระพุน ม, มันไปด้วยกันเนี่ยเออมันสบมบูรไปด้วยกั น, กนเพราะฉะนั้นให้ลูกหลานนะสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทําสรุปแล้วนะเนี่ยทำแต่สิ่งที่ดีนะถ้าทําสิ่งที่ดีลูกหลาน จ, นจะมีแต่ความสุขความเจริญ น, นะ ต, ตอนนี้ไปหลวงตาจะรุ่งโหมธนาให้พรในครีนะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายปัจจัยแด่หลวงพ่ออินถวายสังสุสโกเป็นจำนวนเงินเจพับาทและพระอาจารย์อุปถาเป็นจำนวนเงินสมพันบาทและได้มอบกับวัยยาววัจกรของพระคุมเจ้าแล้วเมื่อประสมสิ่งใดอันสมควรแก่สมณะบริโภค ขอได้โปรดเรียกจาไวา ย, ยาวัจกรของพระคุณเจ้าคือเออโอ้ลูกหลานถวายมากเลยแต่ขนาดลูกหลานยังถวายเป็นผ้าป่าได้หลวงพ่อก็ถวายเป็นผ้าป่ากับลูกหลานเหมือนกันนะเนอะเออให้ครูบาอาจารย์รับการาบด้วยนะเกินรวมกันเลยคือนะยอดแปดหมืนกว่านี่นะยอดแปดหมื่นกว่ามันคงจะเป็นเก้าหมื่นมากกว่านะรวมทั้งหมดก็เป็น 9ก่สี่สี่อยบาทเออนั่นๆๆๆทุกคนได้ก็มโนธนาสารเรื่องดวงตาลวงตากราเออดวงตาเราร่วมทาบุญกันลูกหลานกันนะเมื่อกี้นี่ลงดวงตาไปประเทศอินโดนีเซียนะเวลาลงดวงตาเทพจบแล้วพี่น้องชาวอินโดนีเซียเขาเอาลูปีมาถวายดวงตานะเขามาใส่กล่องใส่กล่องใส่กล่อง แต่พอลงตากลับมาลงตาก็ถามว่าเออเดินหนู่ปีในเท่าไหร่ลงต า, าก็จะทราบเขาบกกี้ว่าโอ้ทำไมพระจะมาหาอยู่เงินใครจะว่ากันแต่ลงต า, าก็จะอยากจะทราบว่าลงตามีในใจเราจะทํำยังไงตรงนั้นเขาก็บอกว่าเงินที่ถวายมาทั้งหมดนี่สองร้อยกว่าล้านเหมื น, น, นัันเนี่ยฟังด้วยจะลกงลานนี่ยเขาถวายเงินลงตาสองร้อยกว่าล้านเดือปี สองร้อยกว่าล้านมากเท่าไรล้านหน่งสามพักว่าบาทเป็นลงตาเลยเนีเออเอาเป็นเงินไทยเท่าไรวันเงินไทยได้หนึ่งล้าน1น0 0งแาห่นามื่กว่าบาทลงตาเออเอลงตามาอินโดนีเซียเนี่ยเออมาเทศที่อินโดนีเซียเต็งเนอินโดนีเซียลงตาจะไม่เอากลับเงินไทยลงตายเองเงินอินโดนีเซียไว้ในอินโดนีเซียหนึ่ง เพื่อดูแลพระสงฆ์เก็บไข้ได้ป่วยพระสงฆ์มาประกาศศาสนาที่นี่ตรงไหนเก็บไข้ได้ป่วยให้เอาเงินก้อนนี้รักษาอันที่สองโรงพยาบาล อ, อินโดนีเซียขาดเหลือขาดตกเครื่องไม้เครื่องมือซื้อได้อันที่สามเด็กนักเกรียนที่ด้อยศึกษาด้อยการศึกษาให้ช่วยเขาได้เงินก้อนนี้อันที่สี่ประเทศอินโดนีเซียแผ่นดินไหวซีนามิภูเขาไฟระเบิดให้ใช้เงินก้อนนี้ได้ หลวงพ่อได้ตั้งเป็นกองทุนกองทุนเลยกองทุน9ก้าสหกปลงตามหาบัวอยานัมนสอพันโด้เกองทุน96หปีลงตามหาบัวยานสด้ีลหลวงนะพ่อไม่ไดเอามาในะเงินล้านกว่าบาทมอบให้ให้เป็นกองทุนของประเทศอินโดนีเซียนนะหลวงพ่อไปได่ไหนโดยมากโดยมากก็จะมอบมอไปไเรื่อยๆจะให้หลวงพ่ออดก็ไม่อดนะนะั่นแหละพ่อเป็นพ่อไปลุกหลานเย ให้ใจกว้างๆใจใหญ่ๆมาเลยทั้งคนใจแคบมันปดเนีถ้าใจใหญ่ๆมันไม่ปดหอกเอาลพรนเรียนนะลูกหลานเอลตาลงมโนธนาให้พลูกหลานตั้งจิตตั้งใจที่ส่วนกุศลถึงพ่อแม่บู่าตายายมูสาคนาญาติญาติทิศสหายเจ้ากรรมนายเวรแล่ก็พร้อมกันก็ับให้ผู้ขาเจริญด้วยอายุวันณัสุขภาพลาภลาบยศสราเสิญสุก ความทุกข์ทั้งหลายจะได้มีเนอะอยูอ่ร้อยครับเจ้าเจริญเจริญด้วยอายุวันนาสุขหาบปละชีวิตของขราเปเจ้าให้ลาึ่งจะให้มีอุปสรรคใดใดเนอนึกคิดในใจเนะลูกหลานเนะอย่กาถามวาริวาหาปูราปาริปุเรนติสากรัง